ก็ความเจริญในธรรมจุมมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่หลวงประโบ d ยา s กำลังนำเสนอเรื่องกรรมสัตตาสมา ธ, ธิิคือปัญญาเห็นชอบในกฎแห่งกรรมก็มาถึงช่วงเป็นการขยายความในกรรม12ประการโดยเฉพาะประเภทความหนักเบาของกรรม ลำดับการให้ผลของกรรมที่ท่านจําแนกไว้เป็นสี่แบบสี่ระดับนะระดับหนึ่งคือกรรมที่นําเรามาเกิดประการที่สองกรรมที่มาอุปถัมภ์กรรมซึ่งนําเรามาเกิดหมายความว่าถ้ากรรมดีนําเรามาเกิดกรรมดีก็มาอุปถมัมภ์กรรมชั่วนํามาเกิดกับชั่วก็มาซ้ําเติมให้ชั่วมากยิ่งขึ้น แล้วก็มีกรรมประเภทหนึ่งที่เข้ามาเบียนตัวผลของชนก ก, กรรมเช่นสมมติว่ากรรมชั่วนํามาเกิดกรรมนี้ก็จะมาลดความเดือดร้อนให้น้อยลงหรือว่ากรรมดีทํามาเกิดนํามาเกิดดูดีมีสุขก็กรรมชั่วก็มาบั่นทอนให้ลดน้อยลงไปในกระบวนการตรงนี้ถ้าเราไปมองอีกชุดหนึ่งนะคร ชุดของสมบัติวิบัติสี่ประการสมบัติเช่นว่าคติเนี่ยสถานที่เราเกิดสกุลที่เราเกิดครอบครัวที่เราเกิดท้องถิ่นที่เราเกิดตลอดถึงพบชาติที่เราเกิดมันเป็นปัจจัยเสริมหรือว่าเป็นปัจจัยที่จะบรรทอนเช่นสมมุติว่าตะกูลก็เราเป็นสกุลที่ มั่งคัง่งทางเศรษฐกิจทางสังคมทางการเมืองทางการศึกษาเราก็ได้สภาพแวดล้อมที่เกื้อกูลก็แสดงว่ากติมันสมบัติแต่ทีนี้รูปร่างเราเป็นยังไงสุขภาพประหลาดนาไม่เราเป็นยังไงวุฒิภาวะเราเป็นยังไงไอคอีคิว e อะไรต่ออไรของเราเป็นยังไงมันจะบวกหรือลบ ถ้าดีมันก็เป็นสมบัติถ้าไม่ดีก็เป็นบิดาและยุคสมัยที่เราเกิดเราเกิดในยุคสมัยตรงไหนมันจะเกื้อกูลต่อคุณสมบัติของเราหรือไม่หรือว่าเป็นการบันทอน๋ละที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือการประพฤติปฏิบัติของเราเขาเรียกประโยคะ การกระทำของเราการประพฤติตนของเราการศึกษาของเราความรู้ของเราความคิดของเราความสามารถจะถึงทักษะเป็นความจะนี้สำนานของเราแล้วก็พื้นฐานทางคุณธรรมของเรานี่เป็นยังไงนะถ้าดีมันก็เป็นสมบัติถ้าไม่ดีมันก็เป็นบิบติที่นี้มนุษย์เราเนี่ยยังไงยังไงเนี่ยให้มันสมบูรณ์พร้อมหมดทั้งสี่อย่างเนี่ยปัญหายากมีสุภาษิตสันสกฤตเขากล่าวไว้ พระเทพเจ้าสามองค์นั้นจะไม่สถิตร่วมกันในบุคคลคนเดียวกันคนใดที่เทพเจ้าทั้งสามสถิตร่วมกันได้คนนั้นก็คือยอดของคนนั่นคือเทพเจ้าแห่งความดีเทพเจ้าแห่งความงามเทพเจ้าแห่งปัญญาจำนวนแขกหน่อยนะ <Okay. S 1> หมายความว่าคนคนหนึ่งเนี่ยจะมีคุณธรรมสูงมีรูปร่างสง่างามแล้วก็มีปัญญาเฉียบแหลมเนะี่ยอยู่ในคนคนเดียวกัน จะหายากยิ่งกว่าปีนบันไดสวรรค์เพราะคนเราที่สมบัติสมบูรณ์หมดเลยเนี่ยนะคือสถานที่เกิดสกุลที่เกิดครอบครัวที่เกิดก็ดีรูปร่างหน้าตาก็ดีสง่างามเป็นผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามยุคสมัยนี้เ อ, อื้อต่อการพัฒนาการต่างๆแนวโน้มพื้นเพจริตอัจยาสายัยฝ่ายดีแล้วก็เพิ่มพูนความดีขึ้นไป ทำความดีถูกที่ทำความดีถูกการทำความดีถูกคนทำความดีถูกดีทำความดีพอดีมันก็ไปกันนะเป็นมังกรติดปีกได้แต่ถ้าเราจำแนกดูเนี่ยคนประเภทนี้จะน้อยมันความสลับซับซ้อนในกฎของกรรมความสลับซับซ้อนในความเป็นสังคมเนี่ยมันเป็นมีส่วนในการส่งเสริมในการบั่นทอนในการบีบคั้นก็แล้วแต่นะ ทีนี้ถ้าหากว่ากรรมกรรมประเภทตอนนี้มันก็มีกรรมประเภทหนึ่งขั้นขึ้นมาเขาเรียกว่าเป็นกรรมที่มีอิทธิพลใหญ่บาปก็ได้บุญก็ได้นะคือมาล้างผลของกรรมที่นำมาเกิดแล้วก็ให้ผลเสีอเองเ็าเรียกว่าอุปคาตตะกรรมคือกรรมที่ทำหน้าที่ฆ่ากรรมเกิดกรรมที่นำมาเกิดมันสามารถพลิกผันคนจากสูงมาสู่ต่ำจากต่ำไปสู่สูงแบบ พลิกฝวามือได้นะแต่ว่าคนประเภทนี้ยิ่งน้อยใหญ่ลองสังเกตว่าเหมือนคนอย่างอะไรล่ะตัวอย่างของเราเนี่ยพระเจ้าตากสินเนี่ยคือถ้าพระจะประบาดของพระองค์ท่านเป็นอย่างนั้นจริงๆเราจะเห็นว่าการพลิกมาเป็นลูกบุญธรรมของพระเจ้าปัญาจา ก, กรีเนี่ยคือการพลิกผันอย่างแรงนะแล้วก็ทําให้ท่านก้าวหน้าได้รวดเร็วก็อายุเพียงยี่สิบกว่าก็ได้เป็นดุ้งหลวงยกบัตรแล้ว ถามาถ้าจะกุอยู่ที่เดิมนะฮะจกุอยู่ที่เดิมอยู่กับนาห้หองเหมือนเดิมเนี่ยมันก็ไม่ได้พลิกผันอย่างนั้นหรือว่ามีคนอีกคนหนึ่งด็อเตอร์อัมเบก้าของอังกฤษแด้ของอินเดียเนี่ยฮะเราจะเห็นว่าก็มีความพลิกผันอย่างแรงคือกลายจากเด็กวันนัตสูดเนี่ยอยู่ในการอุปถรัรมภ์สนับสนุนของมหาราชา ก็ทำให้สามารถศึกษาเราเรียนยกสถานะตัวเองขึ้นไปเป็นด็อกเตอร์เป็นปริญญาโทหลายปรยิญญานะปริญญาเอกก็ประมาณ2องสามปริญญาแล้วก็แสดงให้เห็นแต่ว่าเบื้องหลังชีวิตมนุษย์เนี่ยมั น, ม, นมันมีอะไรอยู่พุทธนาก็เรียกว่าบุป ก, กรรมนะกรรมเกา่าดีไม่ดีไม่รู้นะก็แล้วแต่แต่ว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยถ้าเ้าแรงแล้วเ้าออกมาในรูปของกันกาทาลายไปตรงกันข้ามได้ ทีนี้เราก็พูดถึงประเภทที่การให้ผลก่อนหลังการนี้ใผลก่อนก็คือกรรมที่หนักเป็นกุศลก็ได้กุศลก็ได้ทีนี้กรรมอย่างหนึ่งมันไม่หนักหรกแต่ว่ามันอยู่ใกล้คล้ายกับท่านอุ ป, ปมาว่าเหมือนกับโคอยู่ใกล้ประตูอคอกเนี่ยพอเขาเปิดประตูคลอกมันก็ออกได้ก่อนทั้งทที่มันขากระเพงผู้นี้จะให้ผลก่อนแต่จะให้ไม่นานนะ ให้ไม่นานท่านบอกว่ามันเหมือนกับข้าวสารรนหนึ่งทานานที่เราใส่ไว้ในฉางหลวงนี่มันนิดเดียวนะมันก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นมามีตัวอย่างมีตัวอย่างเป็นความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐีคนหนึ่งในสมัยพุทธกาลก็เป็นปศกนะในตอนหลังเป็นปสกและสร้างวาัดสร้างวาถวายพระพุทธเจ้าแต่ว่าชาติก่อนในติดติดกันสามช่วงะระยะมันไม่ยาว คือว่าท่านเกิดมาเป็นคนก็มีฐานะดีพอสมควรแต่ว่าเกิดทุกข์ทุกข์ภัยมันเกิดระบาดในสมัยโบราณเขาเรียกว่าทําลายฝาเรือนหนีไปคือหนีเอาทางหลังบ้านก็เจาะฝาเรือนออกแล้วก็หนีก็มากันพ่อแม่ลูกอัวผัวเมียกับลูกนะผัวเมียกับลูกแล้วก็ลูกก็เปลี่ยนกันอุ้มพระราหานต่งตางๆมันก็หมดอยู่ในเส้นทางแล้วในที่สุดก็ ปลอยลูกตายคืออุ้มไม่ไหวนะฮะอุ้มไม่ไหวไม่ได้เจตนาฆ่าลูกแล้มันอุ้มไม่ไหวหวางลูกเอาไว้ขับมาอีกเที่ยวหนึ่งจะมาเอาไปก็ปรากฏว่าลูกตายแล้วตัวเองก็ไปถึงบ้านของนายโคบาลคือคนเลี้ยงโคอารามที่มันหิวอะ่ะอะไรมันก็ดีไปหมดมันมีใจชื่นชมในตัวสุนัขแม่สุนัข มันกินอาหารที่คลุกด้วยน้ำนมอย่างดีเลยข้าวอยากข้ามังคุปพญาติคลุกอย่างดีเลยแกเป็นคนแท้ๆไม่มีโอกาสกิ น, นก็นึกผอใจแล้วตกลงก็นายโคบานก็เลี้ยงดูจนกินอิ่มเกินไปอาหารยอดไม่ถังก็ตายอาจัยสายใจที่มันประวัติอยู่กับสุนัขเนี่ยมันคิดถึงสุนัข เ, เกิดในคันสุนัขเลยเห็นไหมตรงนี้อาสนากรรมก ร, รมือจวนจะตาย มันเป็นเหนี่ยวใจเอาแล้วก็เกิดเป็นสุนัข ก, ก็ปลูกพันธุ์อยู่กับพระประัิเจกพุทธเจ้าก็เลี้ยงดูมากแกก็เฝเห็นพระประัิเจกพุทธเจ้าใจก็ปูกพันุ์เวลาถึงเวลาอาหารก็ไปเห่าเรียกพระประัิเจกพุทธเจ้าเป็นนำพระประัจเจกพุทธเจ้ามารับอาหารที่บ้านของนายโคบานจนบางครั้งพระประัิเจกพุทธเจ้าท่านต้องการทดลองดูมันมันจําแม่นหรือเปล่าลองเลี้ยวผิดเนี่ยมันมันไม่ยอม มันจะไปเห่าดักหน้าไว้แล้วก็ถ้าท่านไม่ยอมมาจะคาบจีวรนดึงมันก็ผูกพันกันมากต่อมาพระปฏจกระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเล่าว่าถึงคราวจะทําจีวรนกับเย็บจีวรจีวรนมันขาดเนี่ยจะต้องไปทําร่วมกับพระปฏิปฏิกับพระพฤติเจ้ารูปอื่นที่ภูเขาขันธ์มาท่านก็ได้พาแล้วท่านก็ไปทางอากาศแต่สุนัขมันอาศัยความผูกพันเนี่ยมันมองสูงมันเห่าหอนสูง พอท่านรับตามันก็ตายพอดีมันเกิดเป็นเทพบุตรเลยนะจากหมาเป็นเทวดาเลยแล้วก็เสียงกระซิบของท่านเนี่ยมันดังก้องแล้วก็เรียกโคศกะคือโคศกนะพูดพูดถึงโคศกโคศกก็คือเสียงกล้องแล้วในการออกมาเนี่ยมันก็บุญขนาดนี้ยบุญเห่าหอนผูกพันในพระปฏิกรพพุทธเจ้ามันก็ไม่บุญไม่มากอะไรมันเป็นอาสนกรรม แต่นั้นถ้าก็จุติเทวดาก็จุติลงมาเกิดในคันของผู้หญิงโสเพณีทีนี้ก็ไปใหญ่เลยนะถูกชิ้งหกหกเจ็ดครั้งด้วยกันนะถูกฆ่าเนี่ยหกเจ็ดครั้งด้วยกันแต่รอดมาได้เพราะว่าท่านเองไม่ได้มีเจตนาฆ่าลกแบบกรรมนั้นจึงไม่ถึงแล้วก็ต่อมาก็กลายเป็นเศรษฐีอันนี้คือย ก, กตัวอย่างเห็นว่าไอ้ ก, กรรมเล็กๆอย่างเนี้ยบางทีเนี่ยมันไม่มีกรรมอื่นมาให้ผลก็ให้ผลได้ แต่ผลไม่แรงนะก็อยู่ไม่ได้นานเนาะทีนี้กรรมอีกอย่างหนึ่งก็เป็นปุรกรรมคือกรรมที่มันมันสะสมบ่อยๆสะสมบ่อยๆก็ทํามาเป็นปกติบางครั้งเนี่ยท่านก็เรียกว่าเป็นเป็นอาจินะปฏิบัติอนะ่ะคือกรรมที่เราทํามาจนเป็นปกติเมื่อไม่มีกรรมหนักให้ผลกรรมนี้ก็ก็ให้ผล แล้วก็บางทีก็ไม่มีกรรมอย่างอืง<ๆ>่น<ๆ>เขาเรียกว่ากัตะตากรรมหรือกัตะวาปนากรรมกรรมสัตวธรรมไม่มีกรรมอื่นกรรมนี้ก็จะให้ผลก็ในกระบวนการของกรรมหรือถ้าเราสังเกตดูให้ดีแล้วก็พยายามเชื่อมโยงนะอย่าอย่าเห็นแก่ตัวอย่าหลอกตัวเองกรรมมันจะให้ผลส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็ได้ผลในปัจจุบัน แล้บางทีปัจจุบันเรเร็วๆนะฮะปัจจุบันเร็วๆไม่ใช่ปัจจุบันช้าๆแต่ว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันต้องเช่นสมมติว่าให้ทานเนี่ยให้ทานที่ให้ผลในปัจจุบันมันจะต้องประกอบด้วยด้วยสัมปทาคุณเลยสัมปทาคุณสี่ประการคือหนึ่งเจตนาสมถทาเจตนาในก่อนให้ขณะให้หลังให้เนี่ย มันมากไปด้วยความสัทาเลื่อมใสแล้วก็ปัจจัยสัมปทาคือของที่นำมาให้นั้นเราได้มาในทางบริสุทธิ์แล้ววัตถุสมปทาคือผู้รับเนี่ยเป็นพระอนาคามีหรือพระอาราหารันต์และที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือท่านรูปนั้นน่ะจะ ต, ต้องออกาก่นิโรธสมาบัติใหม่ๆเรียกว่าคุณาติเรกสัมปทาซึ่งจะบังเอิญขนาดนั้นเนี่ยมันหายาก เพราะในสมัยพุทธกาลก็มีอยู่เพียงเพียงทนายหกท่านนะแล้วก็ที่แปลกก็คือคนไม่รวยเป็นคนธรรมดาธรรดๆนี่สามัญบางทีก็เป็นลูกจ้างเขาบางทีก็เป็นคนสวนบางทีก็เป็นคนจนอะไรแต่ลรเนี่ยเกิดท่านดักทําสุดจิตสุดใจของท่านนะแต่ก็ไม่มีอะไรมากเพราะท่านไม่มีอะไรให้มากแต่ว่าใจเนี่ท่านมากอย่างที่เราคุ้ น, นเรื่องพราหมณ์จุเลกสาดกที่ถวายผ้าคมคู่คมนะฮะ โ่มเก่าแล้วก็โหมกันสองคนผู้เมียเวลาออกนอกบ้านก็มาหม่มถวายบูชาธรรมแก่พระพุทธเจ้าต่อพระพักพระเจ้าประเรสริฐในกุศลเนี่ยนะพระเจ้าประเรสริฐในกุศลก็ตื่นเต้นก็ยกย่องให้รางวัลตั้งตัวเป็นก็เรียกว่าเป็นเครือบดีย่อมย่อมไปเลยในวันเดียวหรือว่านายส ม, มนุนมาลาการอย่างเงี้ยหรือว่าในปุณณธาต คุณธรนมนิการเป็นเศรษฐีในวันเดียวเลยตรงนั้นอแนวตัวนี้มันเป็นแนวที่เราหาตัวอย่างศึกษายากนอกจากว่าใช้ความเชื่อเอาคือองค์ประกอบขนาดนี้เราหาไม่ได้ในปัจจุบันเพราะขนาดสมัยพุทธกาลพระหันเต็มบ้านเต็มเมืองอยู่นี่ยังมีเจอได้แค่สี่องค์แต่นั้นแค่แค่หกท่านแต่นั้นเดกกรรมเหล่านี้เขาจะให้ผล ได้ในปัจจุบันแล้วก็กรรมเราอื่นก็เหมือนกันเนี่ยก็มีเป็นอันมากที่เราได้รับผลคือถ้าคิดเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็เรียกว่าประมาณตั้งยนะี่สิบห้าเปอร์ซ็นต์อเราจะได้รับก่อนและกรรมต่อไปเนี่ยเขาก็เรียกว่าเป็นอุป ป, ปัชชะเวทนยกรรมคือกรรมที่สนองผลในชาติ ที่สองคือชาติต่ตอไปหมายความเราทําชาติเนี้ยมันเราจะได้รับในชาติหน้าเขาเวลาอธิบายในยแนวพิธรมเนี่ยเขาบอกว่าเป็นกรรมที่สําเร็จด้วยอํานาจแห่งเจตนาในวชนะกรรมดวงที่เจ็ดคือชวนาในจิตจิตมันจะเกิดดับต่อกันไปเป็นแถวเจตนาในแต่ละขณะนี้มีอิทธิพล น, นั้น ในนิการบางอย่างมันก็เรียกอป布า布拉เวทนิยกรรมคือการกรรมที่ตามมาให้ผลตา ม, มาให้ผลในภพชาติต่อๆไปไอ้พวกนี้ว่ากันไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะสิ้นกระแสกรรมก็อย่างที่บอกไว้ในวันก่อนว่าถ้าเรามองชีวิตเราจริงๆเนี่ยเรามีกรรมอยู่สามระดับกรรมที่ให้ผลในชาตินี้กรรมให้ผลในชาติ ต่อไปกรรมให้ผลในชาติต่อตไปเครื่องหมายความถ้าเรานับย้อนไปข้างหน้าเนี่ยย้อนย้อนหลังไปนะฮะสักสี่ห้าชาติหนึ่งเราจเจ็นว่ากรรมที่เราทําในชาติที่อะไรที่ชาตินี้เป็นชาติที่หนึ่งนะสมมติว่าชาตินี้เป็นชาติที่หนึ่งชาติที่สองชาติที่สามสี่ห้าเนี่ยเป็นอปรากพระวิทยกรรมสมบับชาตินี้ทีนี้ชาติที่เราทําในชาติก่อนในชาตินี้ก็เป็นอุปปัชฌาวิทยกรรมในชาตินี้ และกรรมที่เราทาํจจใาในชาติปัจจุบันก็ให้ผลในชาติปัจจุบันผลในด้านจิตใจผลในด้านสังคมผลในด้านอารมณ์อันนั้นเราได้รั บ, รบทันทีเลยนะะผลในด้านสังคมเนี่ยอาจจะต้องให้ประจักษ์พยานเดก่อนก็เราเห็นการทําแผนวฏิทักษ์กรรมอะไรตออไร่างๆก็เห็นกันอยู่เนะี่ยอันนี้ที่จริงเป็นผลกรรมที่เราได้รับจากสังคมแต่บอกแล้วว่าสังคมเนี่ยมันอนิยายอะไรไม่ค่อยได้นะ นั้นขึ้นอยู่กับอารมณ์และอารมณ์ในปัจจุบันเนี่ยอารมณ์สร้างกระแสสร้างอารมณ์ปลุกระดมอะไรต่างๆอารมณ์จ้างวานมันเยอะเลยเอานิยายไม่ค่อยได้ทั้งบวกทั้งลบเพรา ะ, ะนั้นพระพุทธเจ้าจึงไปมองที่บินอยูชนเนี่ยยกย่องหรือสรรเสริญแต่ส่วนคนพาเนี่ยพูดเขายากนะนะก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะพระพุทธเจ้ายังถูกด่าเลยนะอย่างที่ท่าน แต่งไว้เป็นคำกรอนว่านินทากาเลมันเทน้ำไม่ชอกช้ําำมือ น, น, น้องมีดมากรีดหินแม่องค์พระปฏิมายังราคินคนเดินดินด้วยจะพ้นคนนินทาไอ้ น, นี่ก็ก็ว่ากันไปก็ไม่รู้จะไหวยังไงทีนี้ในแง่ของอารมณ์ในแง่ของความรู้สึกนะฮะไอ้นนี้จะจะจ ะ, จ ะ, จะทั้งบวกทั้งโลบเราเกิดขึ้นไหนก่อนก่อนก่อนทําขนาดทาในหลังจะทําไปแล้วนี่จะอยู่ตลอด เพราะในแนวทานในท่านพูดถึงอัปราราประเจตนาเนี่ยว่าเป็นความสำคัญเพราะว่าเรานึกถึงเนี่ยเราภาักภูมิใจแต่ทำให้เห็นอย่างหนึ่งว่าทั่วโลกนะฮะไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่เฉพาะชาพูดเร า, าศาสนกในาศาสนาทั่วโลกนิยมสร้างวัตถุแต่ถามมาทำไมล่ะเพราะเห็นวัตถุแล้วเนี่ยเป็นอัปราประเจตนาเขาเขาจะเกิดปีติประมดมันเกิดบุญแก่เขา แต่ทุกครั้งที่มีการใช้สอยปุยในวัตถุไ อ, ไอสถานที่เหล่านั้นนะ่ะนะเขาก็ได้บุญอันนี้คือปกติธรรมดาแต่ว่าคนที่พูดเนี่ยที่จริงไม่ได้มองความจริงว่าถ้าเราร่ำรวยขึ้นมาเราเข้าใจกฎเกณฑ์ของบุญที่เราก็เอาเหมือนกันนะฮะเราก็ทาชอบทำในด้านวัตถุเหมือนกันเพราะเป็นอนุสร์ตื่นใจลูกหลานเหลนเลืออะไรต่างๆเนี่ย ก็ได้สืบต่อสิ่งดีงามเหล่านั้นเอาไว้วัด น, นี้ปู่ญาตาิยายสร้างมาพ่อแม่สร้างมาลูกก็สืบต่อหลานเหลีก็สืบต่อไปมันก็เป็นการดึงคนเข้าหาศาสนาโดยสํานึกภายในใจของคนเหล่านั้นทีนี้กรรมอีกประเภทหนึ่งเนี่ยคือกรรมประเภทอปปราปราเวทเนยกรรมในท่านบอกว่าเป็นกรรมที่สนองผลในชาติที่สามที่สามเป็นต้นไปนะฮะเป็นสามเป็นต้นไป มันเกิดขึ้นจากชวนกรรมดวงที่สองถึงดวงที่หกตอนนั้นก็แสดงว่ากรรมกรรมประเภทแรกเนี่ยมันมีพลานุภาพมากมันมีอนุภาพมากแต่ว่ามันอยู่ที่ที่ชวนะดวงแรกจิตดวงแรกเกิดขึ้นดวงที่สองก็เป็นกรรมประเภทหนึ่งดวงที่สามถึงที่เจนะ็ดถึงที่หกนะฮะถึงที่หก ก็เป็นกรรมประเภทหนึ่งทีนี้กรรมอีประเภทหนึ่งนี่เขาเรียกอาโหสิกรรมคือกา ร, รที่สนองผลต่อไปกรรมที่ไม่สนองผลต่อไปนะฮะเพราะให้ผลแล้วหรือว่าไม่มีผู้จะรับผลก็มีสองในอย่างเช่นว่าพระองคุลิมาเนี่ยท่านก็ทำกรรมอะไรไ้เยอะนะะแต่บอดีท่านบนรรลุมรควลไอตอนบนรรลุมรคลนี่ไม่ไม่พ้นกระแสกรรมนะกระแสกรรมในอดีตี่ไม่พ้น แต่ตอนท่านนิพพานเนี่ยฮะตอนท่านตายเพร่องแงวตอนท่านตายเนีนย่ยไม่มีชีวิตจะรับผลของกรรมกรรมนั่นก็เป็นอาโหสิกรรมไปถึงใ้จากหลักกรรมเหล่านี้เราจะเห็นว่ามันติดตามติดตามบุคคลไปที่ท่งแสดงไว้ในพระธรรมบทนฮะพระธรรมบทคาถาแรกคาถาที่สองที่บอกว่าธรรมทั้งหลายมีใจเป็นวหนา้ามีใจเป็นใหญ่สมเอมแต่ใจนะถ้าใจคิดไม่ดี การพูดการทำก็จะไม่ดีตามไปแล้วผลจากการพูดการกระทำไม่ดีนี่จะติดตามบุคคลไปนะเหมือนล้ อ, อกเกวียนได้ติดตามรอยเท้าโกไปก็อาจจะอุปมามันสารพิษติติดตัวเราไปก็ได้นะพอล้อกเกวียนแบบนี้พูดกับเด็กยากนะคือเด็กไม่เห็นเกวียนทีนี้พอถึงบุญเนี่ยก็สมุอบมาว่าทำนั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สมเอตมาแต่ใจถ้าใจคิดดี นะการพูดคดีการทำกดีและผลก็สุดจริตทางตรทวารเนี่ยมันจะติดตามบุคคลไปเหมือนกับเงาที่ติดตามบุคคลไปในที่ต่างๆเช่นั้นเพราะชีวิตเราจึงเป็นกระบวนการของกรรมที่เน้นย้าเรื่องกรรมมาหลายวันเนี่ยเพราะว่าด้วจากการสังเกตเราไปในที่ไหนนี่มันยุ่งแต่เรื่องกรรม คนจะตั้งแง่ตั้งมุมตั้งประเด็นเกกับเรื่องกรรมในมากมายเหลเกินแล้วก็มีความสับสนในเรื่องของกรรมบางทีก็หลอกกันได้ทั่วบ้านทั่วเมืองนะสิ้นกระแสกรรมล้างผลกรรมอะไรแต่ไรเนี่ยอะไรนะ <c oughs> ก็ใช้คาแปลกๆคือกรรมนี่ไม่ให้เกิดผลได้ฮะโดยไม่ทาแต่นั่นเองถ้าทําไปแล้วเนี่ยเราปฏิสปฏเสธผลไม่ได้เรา แต่เพราะเราสับสนในกระบวนการของกรรมแล้วก็มองกรรมบางทีก็มองกรรมเป็นความชั่วนะบางทีมองกรรมเป็นคล้ายๆกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะโดนบันดาลให้ให้คุณให้โทษอะไรต่ออะไรธรรง น, น, นั้นก็เป็นเรื่องที่ไม่ไม่น่าเชื่อนะว่าสังคมพูดเราก็เป็นประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา แล้วก็ถือว่ามีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจําชาตินะฮะแต่ก็จริงเรามีปัญหาเรื่องกรรมแล้วพอมีปัญหาเรื่องกรรมคนก็สับสนจิตใจมันก็ไหลไปตามกระแสของอารมณ์กระแสของกิเลสก็ทําให้คนเป็นนันมากเนี่ยไม่รับผิดชอบในกระบวนการของกรรมทําให้เกิดอะไรขึ้นมาทําให้เกิดปัญหาเดีกรรมทั้งหลาย ออกิจกรรมนี้จะลดลงไปได้โดยธรรมชาติเลยถ้ามนุษย์ได้สำนึกถึงกฎของกรรมเช่นทีน่ท่านประพันธ์ไว้เป็นคำกรอนใครไม่รู้นะแต่ว่าเพราะดีท่านบอกว่าอันความผิดพลาดพลั้งทั้งหลายเล่าใช่ดวงดางในท้องห้องเวหมนมาเกี่ยวข้องพอง้องผ่านบันดาลดนแท้จริงผลของกรรมเราทำเอง ปัญหาเศษ ร, รษฐกิจก็ดีปัญหาสังคมก็ดีปัญหาการศึกษาก็ดีปัญหาจาักรกรรมก็ดีปัญหาโรคเอดโรคอืดอะไรทั้งหมดนะฮะมันก็คือขึ้นจากกรรมของเราเองคือเราไปทําเองอย่างปัญหาโรคเอดปัญหาเรื่องยาบ้านเนี่ยเป็นปัญหาที่วิ่งเข้าไปหาเขาเป็นลนักษณะแมลงเม้าที่บินเข้าหากองไฟเมื่อก่อนฟังข่าวตัวเลขโรคเอดแล้วก็สลดเุี่ย ทั่วโลกปีที่แล้วเนี่ยตายเด็กเนี่ยเฉพาะเด็กที่ติดโรคเอดเนี่ยตายไปห้าพันให้ไม่ใหญ่ห้าแสนกว่าผู้ใหญ่เนี่ยตายไปห้าล้านกว่าคนตายด้วยโรคเอดโรคเอดมันเกิดมาจากอะไรมันเกิดมาจากการสับสอนทางเพศบรรเทาบรรยับัญญัตินนหน่อยได้ไหมล่ะ<ม>ควบคุมตัวเองควบคุมอารมณ์ควบคุมจิตใจตัวเดียวเมียเดียวแล้วก็วตรวจจาโรคกันให้ดี มันไม่ได้ผิดศีลอะไรนี่นะศีลข้อรก ร, รมเมเนี่ยเขาไม่ได้ห้ามการมีแต่มีพัญญาแต่ก็ห้ามการสัมสอนธทางเพศแต่นั้นเองนี่คือคืออะไรคือจิตใจนี่อ่อนแอแล้วก็ขาดความสํานึกรับผิดชอบในกฎของกรรมพอรับผิดชอบในกฎของกรรมมันก็ลากเลื่อนไหลไปอย่างเงี้ยเพราะันก็คงจะต้องนําเสนออีกหลายแง่้หลายมุมในกระบวนการของกรรมเพื่อก็ตอกย้ํำนะนะ ตอกย้ำถึงปริยายของกรรมว่าพระพุทธศาสนาเป็นกรรมาวาชีเป็นกิริยาวาทีคือกล่าวการกระทําความดีและอาจกิริยาวาทีกล่าวการไม่กระทําความชั่วเป็นหลักการสาคัญต้องฝั่งทั้งหลายใตร่มพระโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญง้อ ง, งามไปบุญในธรรมยมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทุกันสวัสดี